i n and... เปลี่ยนแปลงลับปลาใทว่ามีรู้สิน้นแปลกแปลพันทินทางสุดช้าเร็วตามกันทิปถูกบันดานด้วยคำเก่าหมดกำแค่เผาฝังพื้นดินสู่การดิ้นดนในฉากใหม่ต่อไปรอคอ เสดช่วยนำสู่แดนไล่ลนิรันด์กันด้นแรงแห่งปากเข้าใดฝ่าฟันดันดนไปแสนไกลจนที่สุดพบผานคู่มี จุดพังให้ท้อกายใจจะทนปีนขึ้นไปแม้มือแตกกร้าวพังหยับยืนเศร้าซึมเมื่อเลี้ยวแลกเห็นความน่ากลัวที่เคยจองจำเหลึกล้ำ 你的芳。